ปัญญาเสมอกันคือคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญารวมทั้งปัญญาระดับสูงรู้เรื่องธรรมะระดับเดียวกันเป็นไปเพื่อสวรรค์นิพพานเหมือนเหมือนกันถามแฟนเรียนด็อกเตอร์แต่เราจบแค่ปริญญาตรีเป็นความแตกต่างของปัญญาหรือเปล่า รู้สึกด้อยกว่าไม่คู่ควรกับเขาตอบคำว่าปัญญานั้นไม่ใช่ปริญญาหลายงานเสอีกที่ปริญญาเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทำกรรมโง่โงพูดโง่โง่งออกมาด้วยโมหะลุ่มหลงสำคัญตัวผิดปัญญาหมายถึงการคุยกันรู้เรื่องยิ่งถ้าคุยกันได้ทุกเรื่องคล้อยตามกันในทางบุญทางกุศล ก็ใช่เลยรักไม่จำกัดปริญญาแต่จำกัดที่ความสามารถาชักชวนกันขึ้นสูงและต้านทานกิเลสปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันยอมทามหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนาและความไม่พรานที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันเรื่องของศรัทธาศีลจาระแล้วก็ปัญญาที่จะจูนให้เสมอกันได้ ต้องมาจากสิ่งเดียวเท่านั้นครับคือศรัท ธ, ธาในเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านถึงขึ้นด้วยศรัท ธ, ธาถ้าเชื่อเรื่องเดียวกันเสียแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรสอดคล้องกลมกลืนกันและมีความสุขอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตก็เป็นไปได้บทสนทนาจากนิยายกรรมพยากรณ์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 พูดตรงๆนะปัญญาของหนูกับใหญ่คนที่ยังไม่โผล่มาของเขาคนไหนเหนือกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับจะมองมุมไหนเพราะปัญญามีหลายแบบแข่งดีทางใดทางหนึ่งแล้วตัดสินว่าใครด้อยใครเด่นนั้นอาจคับแคบเกินไปสนใจอย่างนี้ดีกว่าปัญญาแบบที่ทําให้เข้ากับเขาสนิทเป็นปัญญาแบบไหน ปัญญาเสมอกันหมายถึงอย่างน้อยคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่พูดจนปากเปียกปากชาก็ไม่รู้เรื่องว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรหรืออย่างน้อยเป็นไปในทางเดียวกันไม่ใช่พูดคนละภาษาฝ่ายหนึ่งทําก่อนคิดอีกฝ่ายคิดก่อนทําหรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญา รวมทั้งปัญญาระดับสูงที่เข้าอกเข้าใจธรรมะรู้เรื่องธรรมะระดับเดียวกันเป็นไปเพื่อสวรรค์นิพพานเหมือนๆกันเช่นฝ่ายหนึ่งเห็นชัดว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็คงนึกระอาหรือมันไสในการเป็นอย่างยิ่ง